ท่านผู้มีศรัทธาภาษาในพระพุทธศาสนาวันในวันนี้ต่างก็พากันมาบำเพ็ญบุญกุศลอบรมกายวาจาจิตของตนให้อยู่ในครองธรรมตามคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งขณะนี้ก็ได้ทำการไหว้พระถวดมนต์ น้อมระลึก ถ, ถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์ให้เป็นพุทธานุทติธรรมานุตติสังคารนุตติว่าในใจต่อไปจึงเป็นโอกาสควรที่จะได้รับปรับฟังพระธรรมเทศนาเพื่อหาแนวทางหาความฉลาดหาความรู้หาประสบการณ์ ในการเจริญจิตภาวนาหรือวิปัสสนาภาวนาเฉพาะอย่างยิ่งในการเจริญจิตภาวนาหรือว่าธรรมสมาธิมีมากมายหลายอย่างหลายประการด้วยกันดังจะเห็นว่าคณิกะสมาธิธรรม <c oughs> อุปจาระสมาธิอัปปนาสมาธิแม้ปถมชานดุติยะชานตติยะชานจตุทจชานในบางแห่งก็เรียกว่าสมาธิด้วยสมาธิมีหลายรูปแบบและการเกิดขึ้นของสมาธิก็เป็นไปต่างๆกัน โดยอำนาจของบุญญาธิการปุญญาธิการในปางก่อนที่ได้เคยสั่งสมอบรมมาแล้วด้วยดีตัวอย่างเช่นพระจุลปันธุท่านไม่ได้ภาวนาว่าพุทโธธรรมโกสังโคหลหรืออื่นๆแต่พระพุทธเจ้าให้ผ้าขาวจนไว้พื้นหนึ่ง แล้วก็ให้นั่งรูปผ้าขาวผืนนั้นว่าราโชหระังราโชหรณนังคือให้เห็นความทิจกิดมัวหมองผ่องไม่ผ่องแผ้วจนนานเข้านานเข้าเงื่อที่มือก็ออกเปลือปล้อนผ้าขาวผื้นั้นให้มัวหมองลงจึงเกิดสติปัญญาขึ้นว่าแม้ผ้าที่เคยขาวสะอาด เมื่อมาสัมผัสกับสิ่งต่างๆซ้ำๆซ่าๆก็ทำให้เกิดความหัวมองได้ฉันใดจิตนี้ก็เหมือนกันแต่ละวันนึกน้อมไปตามอารมณ์ต่างๆเป็นกุศลบ้างอากุศลบ้างเป็นบุญบ้างเป็นบาปบ้างถูกทางบ้างไม่ถูกทางบ้างต่างๆนานาประการแต่เราไม่ได้นมาคิด เราไม่นำมาพิจารณาจึงปล่อยเลยตามเลยการปล่อยเลยตามเลยทั้งบุญและบาป ท, ที่จิตคิดไว้นั้นบุญไม่ได้เลยไปไหนรวมลงอยู่ในจิตของบุคคลนั้นถ้าวันใดกุศลจิตมากก <c oughs> ็เป็นบุญมากวา่าบาปถ้าวันใดอกุศลจิตมากก็ บาปก็มากกว่ากุศลนจิตสังสมสะสมก็อยู่อย่างนี้ถ้ายังไม่ขาดยังไม่ทิ้งจากอาสวะกิเลสก็เวียนว่ายใตยเกิดอยู่อย่างนี้เรียกว่าสังสารวัตรการวนเวียนว่ายอยู่ในสังสารวัตรเกิดมาเป็นมนุษย์บ้างเป็นเทพบ้าง ในอาบายภูมิบ้างตลอดจนเป็นสัตว์ต่างๆบ้างและความเวียนว่ายตายเกิดอยางที่กล่าวมาแล้วนี้ก็สลับซับซ้อนสับสนกันเคยเป็นพ่อเป็นแม่ก็มาเป็นลูกได้เคยเป็นพี่เป็นน้องก็กลายเป็นพ่อแม่ได้เคยเป็นสามีภรรยาก็เป็นอื่นๆอีกได้ในบางกรณีถ้าหากว่าเกิดเป็นสัตว์ยิ่งจำไลย จะไม่มีคุณธรรมเหมือนอย่างมนุษย์ดังที่เราเห็นปรากฏอยู่นี้พร้อมด้วยจิตใจก็ร้ า, รายกาจซึ่งจะหาทางที่จะให้เกิดคุณธรรมคือเมตตาจิตนั้นหายากเป็นแต่เพียงสัตว์บางชนิดที่พออบรมสั่งสอนได้ดังนี้ตัวอย่างเป็นต้นสมัยหนึ่งสามเดนสองรู เดินตามภาษารีบุตรออกไปบินธบาต <c oughs> ไปเจอคนตัดไม้ไผ่แล้วก็เอามาเผาไปพาออกแล้วก็ดัดเป็นลูกศรไม้ตามข้อมันคดคด ค, ดคงโค้งไม่ตรงผู้ที่ตัดเอามานั้นเป็นช่างใช้ไฟดัดให้ตรง แล้วก็ขัดเกลาหลาให้เป็นลูกต่อลูกธนูและสิ่งอื่นๆสิ่งที่เคยขุขระคดคดงอง อ, องกลายเป็นของสวยงามน่าใช้สามเณรทั้งสองก็รด้กล่าว่าถ้าเช่นนั้นจิตของเราก็น่าจะดัดได้เช่นเดียวกัน แต่ต้องรู้จักจิตของเราเสียก่อนว่าจิตของเราในขณะ น, นี้มีอากุศลเป็นโลภ์ความโลภหรือฟะโทสะความโกโรธโมหะความหลงเราจะต้องแก้ไขวาระจิตของเราที่อากุศลเหล่านั้นเข้ามาครอบงำจิตใจของเราให้ดีเสียก่อน เพราะถ้าหากว่าอาคุลเหล่านั้นอย่างด้อย่างหนึ่งเช่นความโกรธเป็นต้นเกิดมีขึ้นในจิตก็จะทำให้จิตนี้มืดเหมือนกับคนตาบอดแต่ยิ่งกว่าคนตาบอด <c oughs> คำว่ามืดในที่นี้ไม่ใช่มองไม่เห็น แต่คือใจไม่สะอาดใจมัวหมองด้วยประการต่างๆเพราะฉะนั้นคนประเภทนั้นเราลองสังเกตหรือเราเองก็เคยอาจพบมาแล้วว่าเคยชวนเขามาวัดทำบุญนวันพระเขาก็ผัดวันประการพุ่งด้วยความเกรงใจหรือตักบาตอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นต้นเขาก็ไม่มีความยินดีอันนี้เรียกว่ามืด คือว่าไม่เห็นแสงสว่างในทางบุญและคนประเภทนี้มีอีกเป็นจานวนมากไม่ใช่น้อยซึ่งคนที่มีตติปัญญาเป็นบัณฑิตรู้จักผิดรู้จักถูกรู้จักละรู้จักเจริญให้ถูกต้องมีอยู่แต่ว่าเป็นจานวนน้อย ดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ในติลักคณาสูตรในบทหนึ่งว่าอปกาเตมนุเสสุเยชนะปรคามิโนชนทั้งหลายมาถึงริมฝั่งแม่นม้ำปราชนะจะข้ามไปฝั่งโน้นคนส่วนใหญ่เห็นแม่น้ำเชี่ยวนัก ก็ไม่กล้าข้ามไปเดินเลาะละอยู่แถวนั้นแล้วก็กลับส่วนผู้มีปัญญาและความเพียรมีจนวนน้อยจะสามารถข้ามฟากไปฝั่งน้นได้ฝั่งนน้นคือกุศลหรือแดนแห่งความพ้นทุกข์ฝั่งนี้ก็มีกุศลก็มีแต่เป็นแดนแห่งทุกข์มากกว่า มนุษย์ทั้งหลายยังมีความเป็นไปอย่างนี้เป็นจํานวนมากสิ่งทั้งปวงที่ทั้งพันในชีวิตหรือสรีระร่างกายของเรานี้ก็คือจิตจิตจึงเป็นสิ่งที่สาคัญเพราะเป็นต้นคิดเป็นต้นนึกและจิตนึกแล้วก็เชื่อคิดแล้วก็เชื่อ าหากว่าไม่ได้ดไม่ได้ร ะ, ะดับปรับฟังคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสาัมพุทธเจ้าตัวอย่างเช่นพระปัญจวัคคีทั้งห้าเชื่อบำเพ็ญทุกรกรริยาแม้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสรู้แล้วจะเสเด็จมาสอนก็ยังไม่ยอมเชื่อเพราะความเชื่อในทุกกรณิญาน้่ยมลึก เป็นจิตตันดาฝังแน่นอยู่ในจิตใจของตนเห็นว่าทางเดียวเท่านั้นที่จะพ้นทุกคือทุกก่อนกิยิยาจนพระศาสนาต้องใช้พระบารมีและพระปัญญาคุณอันล้ำเลิศแสดงเหตุแสดงผลให้กับปัญญาวิคีได้คบควนพิจารณาในความเป็นไปตั้งแต่เบื้องตน้นจนบัดนี้ยามองจะเพียงเราว่า เราเลิกทุกกรอกิริยาแล้วไม่ใช่เป็นผู้ที่ขายความเพียรเวียนมาถึงความมากๆเพราะเราเห็นว่าทุกกรกิริยานั้นไม่ใช่ทางถึงแม้เราจะพยายามเดินไปทางทางนั้นนานเท่าไรไกลเท่าไรผ้าพเพียรเท่าไรไม่มีทางที่จะถมผลได้นอกจากสายกลางคือมัชิมาปฏิปทาทางเดียวนั้นเป็นทางอันประเสริฐ ท่านาทั้งหลายทางสกุลของพรามทั้งหลายดางพากันเดินทางผิดมา ก, กอนจนมากแล้วพวกท่านยังจะพากันเดินทางผิดอีกหรือคำที่เรากล่าวนี้ท่านพิจนารณาดูให้ดีว่าเราเคยกล่าวอะไรบ้างที่ไม่เป็นความจริงปัญญวัคคี จึงได้มีความระลึกถึงในปางกนว่าพระสมณะโคดมนี้ทั้งแจอยู่ด้วยกันในคาบมันเป็นทุกกรณยาหกปีพระองค์ไม่เคยตัดอะไรที่ให้ผิจากความเป็นจริงไปเลยจึงได้เกิดความเชื่อถือพอเกิดความเชื่อถือ ความยึดมั่นถือมั่นในอัตกิลมัฐานโยกการมาทุกขาุโยกก็ค่อยๆคลายไปหายไปทิ้งไปปิริยามาริยาที่เคยกระด้างก็อ่อนน้อมลงแสดงให้เห็นถึงความปรารถนาที่จะถึงธรรมพระศาสดาจึงได้แสดงธรรมมาจากกับระวสูตรดัางที่ท่านทั้งหลายทราบกันดีอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นการถึงธรรมของบุคคลย่อมเป็นไปตามเหตุและตามผล <c oughs> ที่บุคคลสามารถที่จะบรเพ็นให้เกิดมีขึ้นตามความสามารถของตนบ้างเฉพาะอย่างยิ่งถ้าผู้ใดพบอมสมเด็จพระสัมมาสัามพุทธเจ้าจะไม่ผิดหวังเว้นไว้แต่ว่ามีมิจฉาทิฏฐิเช่นตุ ป, ปะพุทธะและเทวทัต เป็นตน้นนอกนั้นที่กับพระพุทธเจ้าแล้วเขาก็ได้ประโยชน์ทางสิน้นจากที่พระองค์ได้แสดงธรรมสั่งสอนแนะนำในเมตตาจิตอย่างแท้จริงไม่ผิดพลาดเฉ <c oughs> <c oughs> พาะ อ, อย่างยิ่งการปฏิบัติในเบื้องต้นที่กล่าวว่าสมาธิคือความตั้งจิตมันนั้น เป็นจุดสำคัญของชีวิตของจิตและของธรรมถ้าจิตไม่สงบไม่ตั้งมั่นก็จะทำให้จิตนี้คุณฟุ้งซ่านด้วยประการต่างๆเหมือนกับน้ำที่ผสมไปด้วยเมื่อกระตรมมีอะไรเข้าไปคนอยู่ ในภาชนะที่ใส่น้ำนั้นน้ำนั่นก็ขุนน้าทะเลเราอยู่ใกล้ๆเวลาลมเงียบมันก็ใสเวลามีลมพายุมากๆคลื่นมันใหญ่มันก็ขุนจิตนี้ก็เหมือนกันขุนไปด้วยราคะขุนไปด้วยโรสะขุนไปด้วยโมหะขุนไปด้วยอวิชชาอันเป็นพื้นฐาน <c oughs> เป็นตัวแม่ ที่จะทำให้จิตของเรานั้นขุนมัวหาที่สุดไม่ได้เราจะปฏิบัติธรรมโดยตรงเพื่อตัดอวิชชาให้หมดไปถึงตึงความพ้ทุกนั้นเป็นไปไม่ได้ต้องค่อยลัดลเลาะหรือค่อยๆดำเนินไปตั้งแต่ง่ายๆก่อนจนกระทั่งละเอียดเข้า เหมือนดังพระบิดาของพระเจ้าอาโศกรล้าชื่อว่าพินทุสารเหมือนกันคราวหนึ่งแตกทับกระจัดกระจายออกไปชนระบทและไปที่หมู่บ้านเล็กๆกำลังมีแม่ค้าทําขนมครกขายอยู่ความหิว ก็จึงแวะเข้าไปเพื่อจะซื้อขนมพกบริโภคในขณะนั้นลูกของแม่ค้ายังเล็กอยู่ก็หิวเหมือนกันพ่อแม่ตักขนมพกออกจากเบ้าความาใส่พาชนะไว้ลูกก็หยิบกนินทันทีทีนี้กินไปทั้งก้อนตรงกลางมันก็ร้อนจัดมันก็ร้องไห้แม่กระดุูลูกว่าเด็กง้อ ใครเขากินกันตรงกลางก่อนเราก็าต้องกัดริมๆิมก่อนสิจะโง่เหมือนพระเจ้าพินทุสารบิดาพระโสกราชหรือเขาหารู้ไม่ว่านั่นคือบิดาพระโสกราศเท่านั้นเองผู้มีปริชามีความฉลาดจับเอาคำสอนของแม่ค้าเล็กๆนน้อยนั้นไปปรับปรุงพัฒนากองทัพ เมื่อได้เทศจับเรียบร้อยดีแล้วจึงค่อยตีรอบรอบเมืองเล็กๆนอกๆเอาไว้เป็นพวกเพ้าะให้หมดก่อนแล้วจึงเข้าตีศูนย์กลางภายในขอชนะด้วยคาถาคือขนมครก <c oughs> พระองค์เป็นผู้ที่มีศรัทธาในทางพระศาสานาได้ชนุบำรุงเมืองกรุงราชครึ ให้จเจริญรู้เรืองในภาษาสนาจนมาถึงพระเจ้าอโศกราชต่อต่อมาณภายหลัง <c oughs> ความเป็นผู้ที่มีจิตใจมั่นคงจะทำให้เกิดส ต, ติปัญญารู้ตามความเป็นจริง <c oughs> ตอนต้นในกล่าวแล้วว่าสมาธิมีมากมายหลายอย่างในกัน เห็นอารมณ์ของสมาธิก็มีทังสี่สิบอย่างแต่ในสี่สิบอย่างนั้นบางทีเราก็มาปฏิบัติกันเพียงไม่กี่อย่างส่วนมากก็มาปฏิบัติเพียงพุทธานุสติหรือกายคตาสติอนาปานสติเหล่านี้เป็นต้นตลอดจนอาทุภกรรมาฐาน <c oughs> เป็นพื้นฐานที่เราปฏิบัติกันมาโดยต่อต่ อ, ตอเนื่องมา ผู้ที่เจริญพุทธานุสติก็มีอุบายต่างๆกันอุบายต่างๆนั้นถ้าเป็นยุคก่อนที่บริบูรณ์ไปด้วยพระอารหันต์ก็ไม่ถูกยากกะไรในสมัยนี้จะต้องศึกษาเองบ้างจดจำบ้างรดับตับฟังและผ้าเพียน ดูจิตดูใจให้เห็นชัดเจนว่าจิตของเราเวลานี้มีโลภะหรือมีโทสะหรือมี โ, โมหะหรือจิตของเราเวลานี้ไม่มีโลภะไม่มีโทสะไม่มีโมหะเ <sessions> มื่อรู้อย่างนี้แล้วก็ควรที่จะดาเนินงานต่อไปถ้ารู้ว่าจิตของเรามีโลภะโทสะเป็นต้น ก็ต้องหาทางชำระเสียก่อนเหมือนชาวนาถึงปีหนึ่งเมื่อมีฝนมีน้ำเขาจะดํานาปลูกข้าวเขาก็ต้องเขาต้องไถต้องคลาดขาจัดวัชพืชต่างๆออกไปให้เหลือแต่ดินที่บริสุทธิ์มีปุ๋ยควรแต่การปลูกข้าวชั้นใดนาคือจิตก็เช่นเดียวกัน ระวังวัชพืชคือราคะโทสะโมหะหรือโลภะโทสะโมหะหรือกามฉันพยาบาทีนนมิท่าอุเจักุกุจจะที่มันการมันจะเกิดกมันมาจะงอกมันมีพื้นฐานรากลงในแผ่นดินก่อนที่เราจะปลูกลงไปคือสมาธิจึงต้องขจัดสิ่งเหล่านั้นออกเสียก่อน การทำสมาธิส่วนใหญ่ในประเทศไทยนี้ส่วนใหญ่จะใช้คำภาวนาวาัพุทโทและคำภาวนาพุทโนั้นก็ยังมีอีกต่างกันคือบางทีก็ผสมกับอนาปานัตติหายใจเข้านึกว่าพุทหายใจออกนึกว่าโธเป็นต้นแต่ยังไม่ละเอียดเพียงพอจะต้อง ศึกษาหาความละเอียดลงไปอีกเพื่อให้จิตเกิดความสะอาดให้หมดจดปราศจากวัจักพืชเสียก่อนเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะภาวนาทุกครั้งปล <c oughs> ่อยวางอารมณ์ต <om ans>. ่างๆทั <spr os youtuber> ้งที่เป็นกุศลอกุศลให้จิตเป็นกลาง เมื่อจิตเป็นกลางดีแล้วพร้อมแล้วก็นึกถึงพระพุทธเจ้านะโมสามจบไว้ในใจก็ได้แล้วก็นึกถึงพระพุทธเจ้าอิติปิโสจนจบสวาขาตนจบสุ ป, ปฏิปนนจนจบเท่านี้ก็พอแต่ข้อแม้ทาคพันอยู่ว่าเมื่อเราสวดจบแล้วเราจะภาวนาพู้โทนั้นเขาทำกันอย่างไรจึงได้ผลดีๆ บทสวดมนตต่างๆนี้มีความหมายสำคัญกับการปฏิบัติมากถ้าเรารู้จักฝึกหัดในการสวดนี้ให้สม่ำเสมอหนักหรือเบาให้สม่ำเสมออยู่อย่างนั้นอย่าเป็นเครื่องประคองจิตให้อยู่ในครองธรรมแม้เราที่ว่าภาวนาพุโทโธก็เหมือนกันภาวนาอย่าง สม่ำเสมอหนักเบาอย่างไรทำให้สม่าเสมอในการนึกถึงว่าพุโทโธนั้นที่เรามานึกกันเองโดยธรรมดาียกว่าจะนึกถึงเมื่อไรก็ได้แต่ความประณีตและความหยาบย่อมต่างกันบางครูบาอาจารย์ท่านท่า น, น, นกล่าวสอนว่าอย่างนี้ว่า ถ้าเราจะว่าพุโทโธให้สม่ำเส ม, มอพอเหมาพอดีเขียนคำว่าพุโทโธลงในกระดาษห้าข้อพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธพุทโธห้าข้อวักกันเพียงเล็กน้อยแล้วก็ตาดูหนังสืออ่านหนังสือรู้แล้วแต่ว่าอ่านไปตามนั้นเพื่อให้ใจได้ปรากฏวัตถุที่เห็นนั้นด้วยตา ตาเห็นแต่ตามม่ได้อ่านใจรู้แต่ไม่ได้เห็นคือรู้ว่าสิ่งนั้นคือพุโทโธแล้วเราก็ว่าพุโทโธตัวอย่างทั้งห้าคำนั้นให้สม่าเสมอที่สุดสม่าเสมอไปนานๆเข้านั่นคือทางที่เข้าสู่จิตแห่งความสงบ ตรงกันข้ามกับกายคตาสติแต่ว่าทบไปทบมาทวนไปทวนมาเหมือนกันแต่กายสตาสติทบไปทวนมาเห็นเป็นอสุภะก็เดยคลายคว า, ามปิดจิตก็สงบแต่ถ้าเราเลืกว่าพุโทโธและคําว่าเลืกว่าพุโทโธนั้นทําอย่างไรจะเลือกว่า ด, ดีที่สุดคือให้จิตหรือใจของเราพูดเนื้ โดยไม่ต้องไปผสมกับลมหายใจเขาออกก็ได้ในพุโทโธที่ถ้าหากว่าเราไม่เคยสงบเลยทำเป็นตัวอย่างพุโทโธหลายๆคำก็ได้แล้วก็อ่านไปตามนั้นให้สม่าเสมอสม่าเส ม, สม อ, สมสมอทุกวั น, ท, วนทุกวันมาเข้ามาเข้ามาเข้าจิตจะค่อยราบเรียบและสงบลง แต่ควาสมสงบลงของจิตบางทีก็เป็นคณิกะแล้วก็พุ่งซ่านอีกได้อีกประการหนึ่งถ้าในขณะใดจิตพุ่งซ่านนึกเรื่องราวอะไรไปหลาอยอย่างเราลองสังเกตดูว่าในวางวันวางครั้งว่าพุดโทเพียงสองสามคำจิตไปไหนก็ไม่รู้พูดโทหายไปไหนก็ไม่รู้ เราก็ต้องตั้งมั่นและพยายามฝึกให้พุโทโธอยู่ก่นเรานานๆและอย่างสม่ำเสมอหนักเบาพอเหมาะพอดีพอดีพอดีเป็นการฝึกจิตให้ละเอียดให้เกิดความสงบได้งา่ายถ้าคราวใดทำไปแล้วเกิดความฟุ้งซ่านในจิตภาวนาพุโทโธแล้วไม่สงบ ถ้าหลับตาอยู่ให้ลืมตาอย่าคืนลืมตาให้ฟ้างฟามมีสติให้จิตใจผ่องแผ้วแล้วก็ภาวนาใหม่จิตก็จะสงบได้ง่ายถ้าหากว่าทำดังกล่าวแล้วยังไม่สงบอีกก็ต้องหาวิธีต่าง ๆ, ๆเช่นว่า เคยภาวนากลางๆไม่เร็วไม่ช้าเพราะว่าให้เร็วขึ้นนึกให้เร็วขึ้นหรือช้าขึ้นความจริงคําภาวนานั้นจะเป็นอะไรก็ได้แต่ที่เราน้อมนึกถึงพุโทโธก็เพราะเป็นชื่อของพระพุทธเจ้าหมดความสงสัยว่าบุคคลนี้เป็นใครเป็นอย่างไรไม่ต้องไปคิดถึงจิตจึงปล่อยวาง จึงถือพุโทโธกันเป็นพื้นฐานของการแห่งการภาวนาสมาธิมีทั้งโลกิยะและโลกุตระเป็นส่วนมากโลกิยะเป็นส่วนมาก <c oughs> ดังได้กล่าวมาแล้วว่าเราภาวนาพุโทโธสม่ำเสมออิกของเราจะรวบได้ง่าย ค่อยพ ค, ค่อยฝึกค่อยเป็นค่อยไปเวลาทําสมาธิครั้งคราวใดอย่าไปอยากสงบแม่อย่าไปพุ้งซ่านเมื่อไม่สงบทําใจของเราให้เป็นกลางกลางเพราะสมาธิที่แท้เรียกว่าสัมมาสมาธินั้นเกิดขึ้นในขณะจิตของเราเป็นกลาง ในขณะที่เรามายึดถือเหมือนก็มีคำหนึ่งกล่าวไว้ว่าในขณะใดจิตของเราวางบุญและบาปในขณะนั้นเนี่ยจิตของเราจะสูงสมาธิจะเกิดขึ้นถ้าสมาธิที่เป็นโลกุตระธรรม ของพระอริยะก็มีชื่อเรียกร้ายอย่างเหมือนกันเช่นในรัตนสูตรที่เราสวดกันบ่อยๆว่ายมบุตเสธโทรปริวันญีสุจริงสมเด็จพระผู้มีพระพาเจ้า ผ, ผู้ประเสือตุดผู้สะอาดสุดสมาธิมานันตริกัญญ า, าหุมีสมาธิชื่อหนึ่งที่ว่าตริกัญญ า, าหุเป็นสมาธิพิเศษ <c oughs> และสมาธิชนิดนี้ครูบาอาจารย์กล่าวว่าเป็นสมาธิของพระอรหันต์หรือของพระอริยะสมาธิอันใดเกิดขึ้นกับพระอริยะสมาธินั้นไม่เสื่อมตามอริยธรรมตามอริยมรรคอริยผลนั้นไปด้วย เทนะโมนวิชิติสมาธิอันใดให้ผลตามมันดับสมาธินั้นประเสริฐอย่างยิ่งอิดัมปีทาเมรัตนังปณนีตังแม้ข้อนี้ก็เป็นทาอับานิที่ว่าสมาธิอันใดให้ผลตามมันดับ โดยใจฟารมก็คือกุลบุตรผู้ที่เข้าฝึกกิจมีคานิกะสมาธิดีแล้วก็เจริญอุปจารสมาธิและอัปปนาสมาธิหรือผู้ที่เจริญฌานได้ปฐมฌานมีองค์ห้าคือมีมวิตกวิจารปิติสุขและเอกตา จะเลิญใด้มั่นคงเชี่ยวชาญดีแล้วละวิตกวิจารเสียเหลือปิติสุกเอกกัคตาเป็นดุติยาชานี่เป็นขั้นเป็นตอนและละวิติเสียเหลือแต่สุกเอ ก, กคตาเป็นตติยาชาและละสุขเสียมีเอกกคตาอุเบขาเป็นจตุติชา นี่เป็นขั้นเป็นตอนสมาธิอันใดให้ผลตามลาดับตามขั้นตอนสมาธิอันนั้นประเสริฐอย่างยิ่งเพิ่งได้กล่าวไว้ในคาถานี้สรุปความว่าสมาธิส่วนหนึ่งเป็นโลกุตระธ ร, รรมที่มีเกิดมีขึ้นเกิด ข, ข, ขึ้นกับพระอริยะ สมาธินอกนั้นเกิดกับบรันรพชิตก็ดีพรามก็ดีเหลือสีดาบทนักพศก็ดีถึงจะมีความแก้วกล้าเฉียบขาดชำนาญในสมาธิสมาบัตเพียงใดก็าตามก็ยังเป็นโลเกียพ้นจากชาตินี้แล้วก็ยังมีเวียนว่ายตายเกิดไปในที่ต่างๆไม่เหมือนทม ไม่เหมือนสมาธิที่ผู้ได้ตั้งแต่พระโสดาบันไปต้นไปย่อมมีคติที่แน่นอนอย่างไรก็ดีสมาธิทุกอย่างเราควรฝึกฝนให้เกิดมีขึ้นในจิตกรอตนแม้แต่เบื้องต้นคือคณิกะสมาธิคณิกะสมาธิแม้จะเพียงไม่นาน แต่ย่อมมีประโยชน์มากขนมก้อนเล็กๆเรากำลัลงหิวบริโภคหลายก้อนหลายก้อนเขาพอิ่มได้ชั้นใดครนี้กะสมาธิน้อยๆทำบ่อยๆเข้ามากๆเข้าก็ย่อมเกิดคุณธรรมที่สูงขึ้นตามบนบดบได้ฉันนั้นเหมือนกัน เพราะฉะนั้นใาญปารังเกียรติสมาธิว่าเป็นของพรามบ้างเป็นของโลสีบ้างเป็นของนอกศาสนาบ้างจริงอยู่สมาธินอกศาสนาเขาไปใช้ทางอื่นแต่สมาธิในทางพระพุทธศาสนาเพื่อให้เกิดปัญญาในอริยมรู้เห็นตามวามเป็นจริงเพื่อ ละลาคะโทสะโมหะที่ฝังอยู่ในจิตแดนดานมามากมายเป็นกลับเป็นกันไม่มีอะไรที่จะไปเลืไปถอนไปดึงไปทำลายได้นอกจากอริยมรตมีองค์แปดประการท่านั้นในอริยมรตไม่องค์แปดประการนั้นก็มีสัมมาสมาธิอยู่ด้วยเฉพาะอย่างยิ่ง ตัวของมรรคแท้ก็คือสัมมาทิฏฐิได้แก่ความเห็นถูกเห็นชอบเห็นตรงที่พระผู้มีพระภาคเจ้าแสดงไว้ในเขมาสูตรบ้างในอนัตตลกสูตรทีราสวดไปแล้วว่าบ้างมีคำตอนท้ายบทนี้ว่าสัมมัปปัญญายปัสติ บุคคลจะเห็นอนัตตาได้ต้องมีสัมมัปปัญญาสัมมัปปัญญาคืออะไรสัมมปปัญญาก็คือสมมาธิทฐิในองค์อริยมรรคนั่นเองปัญญาระดับนั้นจะมีขึ้นได้ก็ต้องฝึกผลจิตให้มีส ม, มาธิให้มีจิตใจนแน่วแน่ไว้บ่อยๆตั้งทรงไว้บ่อยจิตที่มีส ม, มาธินั้นเป็นจิตที่ประเสริ เยือกเย็นสงบสบายและทำให้มีขาตติรู้สึกตัวอยู่เสมออะไรเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมเหมือตัวเราหรือจิตของเราก็จะได้แก้ไขทันถ้าจิตไม่มีสมาธิอะไรเกิดขึ้นอาจจะหลงเข้าใจผิดว่าเป็นของดี ก็เลยจมอยู่ในอกุศลนั่นๆส่วนจิตของผู้ที่มีสมาธิแล้วแม้จะเพียงคณิกะสมาธิก็จะทำให้เกิดปัญญาแก้ไขเหตุการณ์ต่างให้เกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นจงพากันเจริญจิตภาวนานึกถึงพระผู้ธดเจ้าพระธรรมประสงค์ว่าในจิตใจของตนเองให้เกิดความมัน่นคงอย่าลืมพุโทโธให้สม่าเสมอ มีสติว่าพุทโธพุทโธพุทโธให้สม่ำเสมอความสม่นเสมอให้เกิดสงบความสมานเสมอให้เกิดไม่ง่วงความสมานเสมอไม่พั้งเผลอความสมานเสมอพอดีนานๆจิตเป็นสมาธิและถ้าคลาใดเกิดฟ้ามุกซสานเมื่อเรานั่งหลับตาภาวนาอยู่ก็ให้ลืมตาอย่าคืนภาวนาต่อไป เพราะจะไม่มีประโยชน์อะไรลืมตายเสวางได้ก่อนด้วยความมีสติและก็าภาวนาใหม่ไปทาอยู่อย่างนี้ฝึกอยู่อย่างนี้บ่อยๆเข้าจะมาที่ท่านหลายที่พระผู้มีพระภาคเจ้าสอนไว้จะเกิดขึ้นเพราะความเพียรของเราเป็นจุดสำคัญดังนั้นต่อ น, นี้ไปเชิญท่านทั้งหลายพร้อมจิตพร้อมใจตั้งมั่นอบรมจิตภาวนาของตนเอง ด้วยพุโทโธหรือที่เคยปฏิบัติมาแล้วเคยเกิดขึ้นมาแล้วเพื่ อ, อจิตของเรามีความช่ำช่ชองในความสงบจะได้เกิดปัญญาความรู้แจ้งเห็นจริงตามคำสอนของพระศาสดาต่อ